นาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัดคือ235 1้ิบห้พิสูตรับเต็ม 2-3 บาท2อพิกษุรับไม่เต็ม 2-3 บาท3าพิสูุรับของที่เขาไม่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อส่งไปเป็นของกำนัน 4. ีพิกษุรับของที่เขาไม่ได้จัดเตรียมเป็นเสบียงเดินทาง 5. ้พิกษุรับของที่เหลือจากที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อส่งเป็นของกำนันหรือเพื่อเป็นเสบียงเดินทาง 6. กพิกษุ รับของที่ทายกถวายเมื่อเขาระงรับการไปแล้ว7จภิกษุรับของญาติ8ปภิกษุรับของคนบวนรณา9กภิกษุรับเพื่อภิกษุอื่น10บภิกษุรับของที่จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน11ภิกษุวิกลจริต12บภิกษุต้นบัญญัติการนำมาตุสีขาบทที่4จบ